าการที่จะตัดกิเลสวรรัฏนั้นก็ต้องอาศัยอริยมรรคบรรดากุศลส่วนอื่นๆไม่มีอำนาจที่จะตัดกิเลสวรรัฏได้เพราะโลกิยากุศลทั้งหลายนั้นประกอบด้วยเจตนาเป็นกรรมวัฏฝ่ายบุญสําหรับละกิเลส ท, ที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งเป็นกรรมวัฏฝ่ายบาปแล้วก็ละได้ชั่วคราวไม่ขาดเช่นเดียวกับตัดต้นไม้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 บังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ทรงแสดงธรรมในทางปัญญาให้พิจารณาขันอยตนะธาตุตามความเป็นจริงซึ่งเป็นปฏิปทาที่จะให้อริยมรรคเกิดขึ้นจึงได้ละ ก, กิเลสวัฏเช่นอนุสัยหรือสังโยชนให้หมดไปจากสันดานกรรมวัฏวิบากวัฏจึงดับไปเพราะไม่มีปัจจัยคือกิเลสวัฏที่เรียกว่า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 เป็นผู้ฉลาดในโลกนี้โลกหน้าเป็นผู้ฉลาดในวัฏตาสามอันเป็นที่ตั้งแห่งมาและมัจจุราชและฉลาดในวิวัตตะซึ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งมาและมัจจุราชชนทั้งหลายเหล่าใดจะเชื่อถือถ้อยคําของสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนาน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 ละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้แล้วคือเกิดในสุทาวาสพรหมโลกจากปรินิพานในที่นั้นเป็นผู้ไม่กลับมาจากโลกนั้นภิกษุเหล่านั้นตัดขวางกระแสแห่งมารไปจากถึงฝั่งพระนิพพานได้โดยสะดวกฉันนั้นเทียวแหละโคผู้โคเมียที่รุ่นทั้งหลาย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 ลูกโคผอมมีกำลังน้อยตัดขวางกระแสน้ำคงคาไปถึงฝั่งฟากโน้นได้โดยสะดวกแม้ชันใดภิกษุเหล่าใดเป็นโสดาบันเพราะละสังโยษสามได้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้อันอริยมากกำหนดแน่แล้วจะตรัสรู้ได้เองในเบื้องหน้าตัดขวางกระแสแห่งมารไป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 แมภิกษุเหล่านั้นตัดขวางกระแสแห่งมารไปจักถึงฝั่งพระนิพพานได้โดยสะดวกฉันนั้นเที่ยวแลภิกษุทั้งหลายเราตาาคตเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้และเป็นผู้ฉลาดในโลกหน้าเป็นผู้ฉลาดในวัฏ ต, ตะสามซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งมารและมัจจุราชเป็นผู้ฉลาดในวิวัฏตะ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 อนุเราตถาคตประกาศไว้ดีแล้วประตูอมตะนิพานอันุเราตถาคตผู้ตรัสรู้ได้เองผู้รู้ทั่วถึงรู้ยิ่งซึ่งโลกทั้งหมดทั้งที่มารถึงพร้อมแล้วทั้งที่มัจจุราชยังมาไม่ถึงเราเปิดไว้แล้วเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายถึงพระนิพานอันกเกษมกระแสะแห่งมารเราตถาคตปิดแล้วกำจัดแล้วทําให้เหือดแห้งหมดไป ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงมีความปราโวดมากพึงปรารถนาพระนิพพานอันกเกษมเถอด